พระธรรมเทศนาแผ่นที่71สดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, นีแสดงธรรมในวันที่10มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่ากิเลสทั้งมวลล้วนออกมาจากใจโอ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 ที่จะชำระจุดนี้ได้ก่อนที่จะคิดดีได้หรือการที่คิดชั่วได้คิดดีคิดชั่วมันออกไปไปจากใจตอนนั้นให้คน้นค้นเขาไปหาใจเขาไปหาตัวผู้รู้คือใจนั่นแหละและจะจัดจะัก จ, จ, จะค้นเขาไปหาได้อย่างไรไปหาจุดนั้นไปหารังมัน <c oughs> รังของมันที่มันอยู่นะรังของใจนะพระพุทธเจ้าท่านกนันที่แรกต่อไป นขนคว้าศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพภุตนะกยาอดภุตกยาหารบ้างผออาหารบ้า ง, ออาาางมิมากมายแต่ผลที่สุดมันเข้าไม่ถึงมันมันเข้าไม่ถึงรังของมันรังกิเลสรังใจนะตั้งหกปีเพราะมันเข้าไปเข้าไปถลุมมันไม่ได้เข้าไปถลุมมันไม่ได้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 ที่ท่านให้ไปพักผ่อนนอนพี่เลี้ยงนางนมก็ไปดูการแลกนาขวัญกับพระบิดาพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าจุดโธธนะแลกนาขวัญปล่อยให้สิท ธ, ธิอยู่ตามลำพังอยู่ที่โคลนต้นว่าจากนั้นท่านอยู่ในความสงบไม่มีใครไม่มีใครเฝ้าพระองค์ก่อนลุกคุณมานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้าย แล้วกำหนดกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นกําังนี่แหละจากนั้นพระองค์ก็ได้วันเดือนหกแผ่อพระองค์จึงได้ญาค า, านายโสธยะมาแล้วก็เกลี่ยลงที่โครนต้นโพแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกนั่งคัดสมาธิ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 จากนั้นก็ส่งคำพูดออกไปส่งแนวความคิดออกไปไปถล่มเขาส่งไปทางหูจะยินเสียงไหนมาไม่พอใจไม่พอใจถล่มส่งออกไปเพราะบฏิจินมาทางจมูกคนเหมือนกันทางลิ้นทางกายออกไปเป็นทางปล่อยหนทางของกิเลสออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย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 มีกิเลสราคะโทสะโมหะนะอันนี้แหละอันนี้ก็คือแนวพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อเองอจึงบอกกล่าวแนะนําให้เป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกเราทุกทกท่านนะนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ให้ดูแต่รูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้นนะเท่านให้ดูทือหาต้นต่อของมัน ต้นหลักของมันคืออะไรมันมาจากไหนมันต้องมีหลักมเีเหตุซงก่อนมันต้องค่อยมีผลออกมาวันนั้นท่านจะให้หาเหตุเหตุมันมาจากไหนมันผลมันจึงออกมาอยา่างนี้มันมีเหตุซะก่อนจึงค่อยมีผละฉะนั้นหลักของพษษุทธศาสนาจึงหวัหลักเหตุผลนะตอนนี้ไปละพรนะต่นี้ยอนุโมทนาให้พร